บทที่หกสิบเอ็ดหลวงตาอุย้ยเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจริญมาที่กุฏิสมพันธ์วัดหนองโพอีท่านเพียรมาถึงสี่ครั้งรวมทั้งเช้านี้ หลวงพ่อเดิมไม่ได้ทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้ตามเคยพระหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดเป็นกำลังกระนั้นก็ทำความเคารพด้วยการกราบเบญจงังขปิดสามครั้งพูดอย่างนอบน้อมว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับเกล้าวกับผมพระภิกษุเจริญจะมาขอให้พระเดชพระคุณทำพิธีสึกให้โปรโดทำน้ำมนต์สึกให้เกล้ากระผมด้วยเถิดขอรับ หลวงพ่อเดิมทำเฉยเหมือนไม่ได้ยินที่ภิกษุหนุ่มพูดผู้มาจากต่างถิ่นต้องใช้ความพยายามอีกครั้งท่านจึงพูดเหมือนที่เคยพูดว่าวันนี้ยังไม่มีเลิกต้องรอพรุ่งนี้ผู้อ่อนวัยกว่ารู้สึกว่าทนไม่ไหวอต่อไปจึงพูดเสียงดังหลวงพ่อจะเอายังไงกันแน่ กี่วันกี่วันก็พูดว่ายังไม่มีเริกยังไม่มีเริกแล้วเมื่อไรถึงจะมีเริกพิสษุวัยร้อยสามตอบเสียงเรียบว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในเมื่อเริกศึกยังไม่มีฉันก็พูดไปตามความจริงไหนคุณบอกโยมยายสั่งมาว่าถ้าเริกไม่ดีอย่าศึกฉันก็ต้องรอให้เริกดีเสี ก, ก่อนจริงไหม แต่ผมรอไม่ไหวแล้วครับผ้าเหลืองมันร้อนจนตัวผมจะไหม้เป็นจุลแล้วพระเจริญว่าจะร้อนยังไงอากาศหนาวออกอย่างนี้เอาเถอะถ้าคุณอยากสึกจริงๆฉันก็จะสึกให้เดี๋ยนี้แหละภิกษุหนุ่มดีใจจนนึกอยากจะลุกขึ้นเต้นหากไม่เกรงใจผ้าเหลืองก็ว่าจะลุกขึ้นเต้นสักสามรอบ ขอพระควณลหลวงพ่อเหลือเกินท่านก้มลงกราบภิกษุชราสามครั้งแต่บอกเสด็จก่อนนะว่าหากเกิดอะไรขึ้นภายหลังฉันไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะคุณมาแค่ให้ฉันศึกให้ทั้งๆที่เริกไม่ดีฟังคำพูดของสมพานวัดหนองโพพระเจริญใจฟอยิ่งมนุษย์ไปถึงโยมยาย ซึ่งสั่งนักสั่งนาว่าถ้าเริกไม่ดีอย่าเพิ่งสึกท่านก็ยิ่งลังเลหลวงพ่อเดิมจึงรู้แกล้งสำทับว่าเอ้าสึกหรือไม่สึกถ้าสึกฉันจะทำน้ำมนตให้เออผมยังไม่สึกก็ได้ครับขอรอดูพรุ่งนี้อีกวันท่านรู้สึกผิดหวังใจหดหูหอยเหี่ยวจึงขออนุญาตกลับกุฏิ สมณเณรเว้านั่งดูเหตุการณ์อยู่นึกสงสารพระนุมจึงพูดปลอบใจว่าใจเย็นๆนะครับหลวงพี่วันนี้เริกไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะเริกดีก็ได้ยังไงยังไงก็ต้องได้สึกวันยันคำ่คำคาพูดของสมณเณรทำให้ภิกษุหน่มใจชื้นขึ้นปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้คอยสึกก็ได้ พรุ่งนี้ค่อยสึกถึงกุฏิที่พักพระเจริญกลับรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหมือนที่เคยเป็นเมื่อครั้งอยู่วัดพรหมบุรีท่านอนแผ่หลาอยู่กลางห้องแล้วเสียงคุณหูก็ดังขึ้นอีกพระคุณเจ้าสึกก็ไม่เป็นไรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้หรือยังถ้ายังอย่าสึกได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วโยมยายสอนทุกวัน ท่านอยากจะพูดอย่างนี้หาก็พูดไม่ออกนอนหมดเรียวแรงอยู่พักใหญ่ๆก็รู้สึกข้อ ย, ยังชั่วขึ้นจึงลุกมาจัดข้าวของและกวาดกุฏิที่พักจากนั้นก็ไปช่วยกวาดลานวัดจะโล่งเตียนหน้าทัศนาชมแก่ผู้ที่เข้ามาหาความสงบพระหนุ่มคิดว่าวัดเป็นที่พึ่งทางใจของญาติโยมเมื่อเข้าเข้ามา ควรจะได้พบแต่สิ่งที่จเจริญตาจเจริญใจเป็นต้นว่าลานวัดสะอาดสะอ้านมีร่มเงาต้นไม้ทําให้เกิดความร่มรื่นชื่นเย็นท่านไม่ชอบวัดที่บางกอกเพราะเข้าไปแล้วไม่ทําให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้มีหนําซ้ำบางวัดนอกจากจะสกปรกรกรุงรังแล้วยังเต็มไปด้วยมูลแมวมูลสุนัขส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดกวาดลานวัดเสร็จ เมื่อใกล้เวลาฉันเพนพระเจริญกลับกุฏิไปล้างมือล้างเท้าแล้วก็ถือโอกาสส่งน้ำแต่วันในฤดูหนาวเช่นนี้การส่งน้ำตอนค่ำทำให้เกิดทุกขเวทนาว่าด้วยอากาศหนาวเย็นกว่าปกติส่งน้ำเสร็จท่านก็จัดการนุ่งห่มผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงลงมือฉันพัฒหารช่วงบ่าย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 สมณเณรเวาแอบเล่าให้ภิกษุนมฟังว่าแกมาบวชเมื่อตอนแก่เคยเป็นลิเกตเก่าชอบคุยโวโ้ อ, อวดนิสัยอีกอย่างหนึ่งของหลวงตาอุ้ยก็คือถ้าใครมาโกโหกให้ฟังแกชอบมากหัวเราะเอิกอกอกชอบใจแต่ถ้าใครพูดเรื่องจริงแกจะไม่ชอบยิ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับตัวแกด้วยแล้วแกจะโกรธหัวฟัดหัวเวียง หน้าหงิกหน้างอเลยทีเดียวกราบสมภารสามครั้งและพระเจริญไหวหลวงตาอุ้ยหนึ่งครั้งจากนั้นจึงลงมือนวดด้วยท่าทางกระชับกระเชงหลวงตาอุ้ยนั่งดูตาปลิดปลิดนึกอยากให้พระใหม่นวดให้บ้างแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากว่ายังไม่คุ้นกันผู้มาจากต่างถิ่นกาลังจะถามหลวงพ่อเดิมเรื่องเพี้ยงดี ก็พอดีท่านเอ่ยถามขึ้นเสก่อนว่าคืนนี้คุณจะเอาคาถาผู้หญิงหรือเปล่าท่านหมายถึงคาถาที่ทำให้ผู้หญิงรักหลวงพ่อมีอีกเหรอครับคนทำหน้าที่นวดถามอย่างยินดีมีพลอเกวียนชะละคุณได้ไปกี่บทแล้วละ่ะสองบทครับบทไหนบ้างละ่ะหนึ่งอย่าเป็นสอง กับพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักครับตอบอย่างแคลวคล่องถ้าเช่นนั้นฉันจะให้บทที่สามค่อนข้างยาวหน่อยคุณเห็นจะต้องจดปลายท่องไปแล้วละผมจะไปหากระดาษดินสอมานักครับไม่ต้องหานั่นข้างที่นอนฉันนั่นท่านชี้ไปตรงที่ข้างที่นอนลุงตา อ, อุ้ยรีบลุกไปหยิบมาให้พระนม หมายจะผูกสัมพันธไมตรีได้กระดาษกับดินสอมาแล้วพระหนุ่มเตรียมจดจึงละมือจากการนวดเฟ้นหลวงพ่อเดิมสั่งว่าอ ย, ย่าหยุดนวดต่อไปให้พระอุ้ยช่วยจดก็ได้พระเจริญจึงต้องส่งกระดาษกับดินสอคืนให้หลวงตาอุ้ยพระอุ้ยจดของเขาให้ถูกนาท่านกำชับ และจึงบอกคาถาทีลวัตหลวงตาอุ้ยจดยิกยิกตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยสิหลวงตาอุ้ยอ่านด้วยเสียงค่อนข้างดังว่านะโมพุทธายะกกุสันโธโกนาคมโนกัสโปโคตโมอริยะเมตโย พุทธคุณังสารนังคัจฉามิธ ร, รมมคุณังสารนังคัจฉามิสังฆคุณังสารนังคัจฉ า, ามิทั้งหลวงตาอุ้ยและพระเจริญต่างไม่เคยเรียนบาลีมา ก, ก่อนจึงไม่รู้ว่าคถาผู้หญิงที่หลวงพ่อเดิมให้จดนั้นที่แท้เป็นคําบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และไตรสรณคม เป็นกุศลบายของสมภารวัดหนองโพที่ต้องการให้พระหน่มลืมเรื่องการลาศิกขาด้วยการให้คาถาไปท่องทุกวันและจะได้เพิ่มขึ้นทุกครั้งจนท่องไม่วาดไม่ไหวนั้นเทียวพระเจริญเป็นคนปัญญาดีและมีความจำเป็นเลิศท่านสามารถจำได้หมดทั้งที่หลวงตาอุ้ยอ่านให้ฟังเพียงครั้งเดียวพระนมนวดไปท่องคาถาไป กระทั่งหลวงพ่อเดิมหลับหลวงตาอุ้ยอยากจะชวนคุยครั้นเห็นผู้มาใหม่ตั้งหน้าตั้งตาท่องคาถาอย่างเอาจริงเอาจังเลยไม่กล้าชวนได้แต่นั่งดูลาดเลาอยู่เงียบๆเมื่อหลวงพ่อเดิมตื่นอีกครั้งพระเจริญจึงรีบถามหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเป่าของครั้งให้ญาติโยมแล้วก็บอกว่าเพี้ยงดีเพี้ยงดีนะ่ะ หมายความว่าอะไรครับคุณถามทำไมผมอยากรู้นะครับเห็นหลวงพ่อเป่าและผมรู้สึกเหนื่อยแทนอันที่จริงหลวงพ่อชรามากแล้วไม่น่าจะต้องตรากตราถึงปานนั้นพูดเพราะความเป็นห่วงขอบใจที่คิดเป็นห่วงฉันแต่คุณก็เห็นนี่นาว่าญาติโยมเขาศรัทธาอย่างนั้นฉันก็ต้องฉลองศรัทธาเขา อะไรที่พออนุเคราะห์ญาติโยมเข้าได้ฉันก็ต้องทำหากไม่เป็นการละเมิดพุทธบัญญัติผมอยากช่วยหลวงพ่อพรุ่งนี้ให้ผมเป่าแทนก็ได้หลวงตาอุ้ยได้โอกาสพูดบ้างรู้แล้วว่าคุณเป่าได้แต่ญาติโยมก็จะยอมหรือเขาอาจกลัวว่าของเ่าจะไม่ครั้งก็ได้ภิกษุชราติง พระเจริญจึงพูดขึ้นว่าแสดงว่าเพียงดีของหลวงพ่อครั้งจริงใช่ไหมครับนี่แหละที่ผมตั้งใจจะเรียนถามเรื่องที่คุณอยากรู้ต้องใช้เวลาอธิบายกันเป็นชั่วโมงโชวัวโมงเชียวละคืนนี้ก็ไม่เหมาะเพราะดึกเกินไปถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้หลังจากฉันเช้าแล้วหลวงพ่อจะ ก, กรุณาอธิบายให้ผมฟังได้หรือเปล่าครับท่านต่อรอง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 หลวงตาอุ้ยลุกตามครั้นเดินพ้นกุฏิหลวงพ่อเดิมแล้วหลวงตาอุ้ยจึงพูดกับพระเจริญว่าท่านนะ่ะไปเชื่อหลวงพ่อเดิมทําไมเชื่อผมสิผมจะบอกคาถาให้ให้คีพึ่งด้วยของหลวงพ่อเดิมะมาเดาเรื่องลอกภิกษุนมรู้สึกไม่พอใจด้วยวาจาของหลวงตาอุ้ยดูเหมือนจะจ้วงจาบหลวงพ่อเดิม ขณะเดียวกันท่านก็อยากได้คาถาหลวงตาอุ้ยซึ่งแกบอกว่ามีขี้พึ่งให้ด้วยดังนั้นจึงสู้ขมความไม่พอใจเอาไว้แล้วก็ถามขึ้นว่าท่านจะให้ผมเรียนคืนนี้เลยใช่ไหมครับได้สินิมนต์ที่กุติผมเลยนะว่าแล้วก็เดินนำไปกุติของตนความอยากได้คาถาทำให้พิกษุหนุ่มเดินตามต่อยๆถึงกุติ หลวงตาอุ้ยนิมนต์ภิกษุผู้มาจากต่างถิลนให้ขึ้นไปข้างบนหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายจนพระหนมรู้สึกเกรงใจเมื่อท่านเอ่ยปากขอเรียนคาถาหลวงตาอุ้ยก็วางแผนไว้เรียบร้อยพูดขึ้นว่าเมื่อยจังนวดก่อนนวดก่อนผมรู้สึกขบเมื่อยไปทั้งตัวเลยภิกษุหนุ่มจึงต้องนวดให้แก่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 ผู้อาวุโสกว่าลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางกระปรี้กระเป่าคาถาของผมต้องใช้ขี้ผึ้งด้วยแกหยิบตลับขี้ผึ้งออกมาจากย่ามที่วางไว้บนหัวนอนเปิดฝาตลับและควักขี้ผึ้งออกมาทาปากนี่ต้องทาให้ถูกวิธีถึงจกครั้งพระหนุ่มดูอย่างตั้งอกตั้งใจลวงตาอุ้ยใช้นิ้วชี้ป้ายขี้ผึ้ง แล้วาจากมุมปากซ้ายวนไปข้างขวาด้านริมฟิปากบนวนลงมาริมฟิปากล่างปากก็ว่าโอมขีดพึ่งขีดพังสาวนั่งบนตอเส้นสาวไม่มาเราก็ไปหามันเองสาวนั่งบนตอเส้นได้ยังไงล่ะท่านตอมันก็ตำก้นเอาหนะสิ พระหนุมแยง้งก่อนข้างมั่นใจว่าถูกหลวงตาอุ้ยหลอกเสียแล้วท่านไม่รู้อะไรนี่แหละคาถายอดครั้งเชียวละผมน่ามีเมียตั้งสามคนเชียวนะแกพูดท่าทางจริงจังหน้าบึ้งเสียด้วยหรือครับแล้วเขาไปไหนกันหมดละ่ะผู้อ่อนวัยกว่าอยากรู้เขาทิ้งไปหมดผมถึงต้องมาบวชนี่ไงละ่ะว่า งั้นผมไม่เอาคาถาแบบเนี้ยขอแบบที่เขาไม่ทิ้งไม่ดีหรือพระเจริญต่อรองถ้ามีผมก็ไม่ต้องมาบวชอย่างนี้นะซิหน้าที่บึง้งกลับบึ้งขึ้นไปอีกพระหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงเอ่ยลาตีสองกว่าแล้วผมขอกลับไปนอนละเชิญแกตอบเสียงห้วนภิกษุจเจริญลุกออกมา เดินกลับกุติด้วยความงอยเงาอยู่ดีไม่ว่าดีไปเสียท่าแต่อุ้ยแก่ได้ท่านตำหนิตัวเองถึงกุติที่พักพระหนุ่มไม่รู้สึกง่วงจึงหยิบสมุดออกมาจดบันทึกประจำวัน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 หยิบกางเกงกับเสื้อมาลองสวมไม่ลืมใส่นาฬิกาไวเลอร์และแหวนเพชรเพื่อแสดงความมีฐานะหนุ่มบางม่วงหมู่คงจะไม่มีใครหล่อเล้าและดูภูมิฐานเท่ากับท่านศึกแล้วท่านจะกลับไปอวดคนบางม่วงหมูว่าท่านมีพร้อมทุกอย่างที่คฤหัสถ์พึงมีไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงเกียติยศหรือวิชาความรู้แต่งชุดคารวาสเดินไปมาอยู่ในห้องได้สักครู่ ก, รก็เกิดตะขิดตะขวงใจสมณะสัญญาคือความกำหนดในใจว่าตนเป็นสมณะได้บังเกิดขึ้นทำให้รู้ว่าตัวเองประพฤติไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปจึงรีบเปลี่ยนจากชุดคฤรืหัดไปครองไตรจีวรดังเดิม พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงท่านจะได้ศึกหรือไม่ยังไม่อาจรู้ได้แต่ปัจจุบันนี้ขณะนี้ท่านเป็นสมณะเพราะฉะนั้นความประพฤติใดๆที่ไม่สมควรแก่สมณะจึงวมพึงกระทาเมื่อเป็นสมณะต้องรักษาสมณะเพศไว้มีให้มัวหมองคนอื่นก็ติเตียนไม่ได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้